ตรัสหมายถึงส ม, มนเนรีคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้พิกษุนีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมติสีมาต้องอบัติปาจิตตีจบยติต้องอา บ, าบัตบ ต, ตออาา ท, ทุกขกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัติทุกขกดสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายพิกษุนีผู้เป็นอุปชาต้องอาบัตตปาจิตตีและคณะอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฏ